ข้อดีของการฟังธรรมที่นี่ธรรมมันจะลึกกว่าที่พอพวกเราพวกเรียนแล้วเรียนอีกเนระ <c oughs> ียนแล้วภาวนาเยอะๆก็แล้วกันธรรมะไม่ได้ยากอะไรนะแต่ว่าระนิดไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของลึกลับแต่ระนีดมากเลยเรียนธรรมะเรียนด้วยใจซื่อ เรียนด้วยใจอยากเนี่ยยากมากเลยพออยากเราก็จะทําอยากได้เร็วๆก็จะรีบทําทําเอาไม่ใช่ของจริงมีปั ส, สนากรรมฐานไม่ได้ก็ให้ทําอะไรคำว่าปั ส, สนาคือการเห็นมีปั ส, สน า, าการเห็นอย่างเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นอย่างยอดเยี่ยมเห็นตรงความจริงเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นเอา เหนเอาบางทีเราพ่ใช้ว่ารู้เอารู้เอาถ้าใช้ภาษาที่ถูกในพระไตรปิดกนั่นใช่นว่าเห็นแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยใจตาของใจเรียกมีชื่อเพราะนะชื่อธรรมจักสุเป็นดวงตาสําหรับเห็นธรรมะอะไรที่เป็นตัวธรรมะรูปธรรมกับนามธรรมเป็นธรรมะ ความจริงของรูปธปรรมความจริงของนามธรรมก็เป็นธรรมะตัวรูปธรรมนามธรรมเป็นธรรมะที่แปรปลวนความจริงของรูปธรรมความจริงของนามธรรมเป็นธรรมะที่ไม่แปรปลวนอะไรเป็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เป็นของเที่ยงนะไตรลักษณ์เมื่อกี่ยุกี่สมัยไตรลักษณ์ก็เป็นอย่างนี้แหละอริยสัจความจริงของรูปของนามเป็นของเที่ยง งั้ตัวกฎของธรรมะนี่เที่ยงนะไม่ใช่ไม่เที่ยงเอะจะบอกทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ได้ท่านบอกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตานะทำทั้งหลายเงั้นตัวธรรมะนะี่เป็นของเที่ยงแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของนะไม่มีเจ้าของไม่มีใครบงการได้เป็นความจริงโดยตัวของมันเองอยู่อย่างนั้นเองงั้นไม่ใช่การคิดเอา นะไม่ใช่การเข้าไปดัดแปลงถ้าเข้าไปดัดแปลงเรียกเรียกว่าทําตัวเองให้ลําบากถ้าไปคิดเอานะ mm hmm. ก็ฟุ่งซ่านไปไม่ได้เห็นความจริงอย่าลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะัลงไปอยู่ในโลกของความคิดแนละไม่เห็นรูปนามแล้วเข้าไปดัดแปลงรูปนามนะเห็นรูปนามอยู่แต่ไม่ได้เห็นอย่างที่มันเป็นมันเป็นการเข้าไปบังคับมันไปทํามันให้ลําบาก อย่างการเดินจงกรมนะผู้เจ้าสอนไม่ง่ายๆนะพิสูจนทั้งหลายดูคราพิสูทั้งหลายก้าวไปก็ให้รู้สึกนะหยุดอยู่ก็รู้สึกถอยหลังก็รู้สึกยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกรู้อย่างที่มันเป็นท่านไม่ได้บอกว่าให้เดินท่านนั้นท่านนี้นะในพระไตรปิฎกยังไม่มีว่าท่านไหนท่านไหนแต่ตำลารุ่นหลังยังมีมีมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วบางทีไม่เหมือนกัน สำนักนี้เดินท่านี้สำนักนี้เดินท่านี้ถามว่าทำไมแต่ละสำนักเดินไม่เหมือนกันเพราะอาจารย์เดินมาไม่เหมือนกันอาจารย์ถนัดเดินท่าไหนก็สอนลูกศิษย์อย่างนั้นนะเกิดอาจารย์ขาสั้นข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งเดินกระปริกระปรกลูกศิษย์ต้องเดินให้เหมือนหรอพิการตามกันไปหมดก็ไม่ไหวยืนเดินนั่งนอนด้วยความรู้สึกตัวนะก็รู้สึกไปสบายๆไม่มีอะไรหรอก อย่าไปดัดแปลงมันนี่ทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเนะี่ยเาเริ่มบังคับตัวเองดัดแปลงกายดัดแปลงใจจะนั่งภาวนาจะนั่งเรียนรู้ความจริงของรูปนามนะั่งเขาวุ่นวายตั้งแต่ท่านั่งแนละ้วจะต้องนั่งท่าไหนถึงจะถูกท่านั่งนะขาขวาทับขาซ้ายใช่หไหมมือขวาทับมือซ้ายตามสูตรขณะนี้ยังเถียงกันได้เลย ทับกันแค่ไหนโอทับนิดเดียวหรือทับเยอะส่วนมากขาไม่ค่อยเถียงอะไเถียงกันที่มือมีหลายแบบนะมีอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยนี่อย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ก็มีนะออันไหนถูกบางคนอย่างนี้อีกอต้องท่านี้ถึงจะถูกนะบางคนต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยนะทับไหมขวาก็ยังทับซ้ายอยู่ใช่ไหมเถียงกันนะเถียงกันไปบังคับมันแทรกแซงมัน ถ้าเมื่อไหร่นั่งด้วยความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้นะแต่ทําไมท่านบอกให้นั่งคูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเพราะพระไม่มีเก้าอี้นั่งสมัยพุทธกาลนะไม่ค่อยมีเก้าอี้นั่งหรอกก็นั่งกับพื้นกันคนไทยโบราณก็ไม่นั่งเก้าอี้นะคําว่าเก้าอี้ไม่ใช่ภาษาไทยคนไทยไม่มีคําว่าไม่มีเก้าอี้นะงั้นจริงๆวัฒนธรรมของไทยวัฒธรรม ชาวบ้านของแขกนะนั่งกับพื้นเราอย่าทําตัวเองให้ลําบาก <S <S เวลาจะนั่งสมาธิเวลาเดินจงกรมไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองถ้าจะนั่งจะดูจิต ด, ดูใจก็ดูเขาไปเลยตอนนี้แหละตอนนี้นั่งอยู่ไหมนั่งอยู่แล้วถ้าจะดูกายก็ดูเขาไปเลยเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่ท่าไหน เห็นไหมร่างกายเก่าโน่นเก่านี่เห็นไหมร่างกายขยับไปขยับมาเนี่ยรู้สึกลงไปเลยนะดูลงไปนี่การเจริญสติจริงๆส่วนจะนั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นอีกแบบอันนั้นนั่งไปนะตามรูปแบบกาหนดจิตไว้ในอารมณ์เดียวนะทำไมต้องนั่งให้เรียบร้อยก็จะได้ไม่วอกแวกจะได้สมาธิ แต่ถ้าจะนั่งเจริญปัญญาดูความจริงของรูปนามนะนั่งอยู่ท่าไหนก็รู้มันเข้าไปท่านั้นเลยแล้วรู้สึกว่านั่งแล้วไม่สวยงามก็ขยับตัวให้สวยงามก็ได้แต่มีสติรู้ถึงการขยับตัวเนี่ยถ้าจะเจริญสตินะอย่าวางฟอร์มรู้สึกเข้าไปเลยแต่ถ้าจะทำสมถะทำสมาธิก็วางฟอร์มสัหน่อยมีฟอร์มอยู่จะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นง่ายนะ เดินจงกรมนะมือไว้ทางนี้มือไว้ทางนี้มีหลายพวกนะพวกมือไว้ข้างหน้าพวกมือไว้ข้างหลังพวกมือไว้อย่างนี้ก็มีนะแล้วก็ยกขาก็เถียงกันอยู่ว่าจะยกสูงแค่ไหนหลวงพ่อเคยเจอนายกจนกระทั่งขาเนี่ยนะขนานกับพื้นเลยนะยกสูงนะเหมือนเต้นโขนเลยยกตึ๊ตึกรู้สึกอย่างนี้กิเลสกลัวกิเลสมาจะกระทึบมึงเลย ไปเถียงกันด้วยเปลือกนะเปลือกการที่มีฟอร์มอันใดนหนึ่งในท่านั่งท่าเดินอะไรนะเอาฟอร์มที่เราทําแล้วไม่ฟุ้งซ่านทำแล้วไม่ฟุ้งซ่านต้องการแค่นั้นแหละถ้าไปเดินแกว่งไปแกวงมาใช่ไหมเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านง่ายแกว่งไปแขว่งมาเดี๋ยวใจก็ปลอยแกว่งไปด้วยแต่ถ้าจะเจริญสตินะอยู่ท่าไหนก็รู้มันไปเลยเคลื่อนไหวท่าไหนก็รู้มันเข้าไปเลยคนละอันกันนะ งันถ้าจะทำสมถาะาก็ทำให้มันเรียบร้อยกระโดกกระเด็กไปใจสงบยากมีคราวหนึ่งหลวงพ่อไปหินมกเป้งตอนนั้นสร้างมนดบอยู่มนดบเพิ่งเสร็จนะกุฏิเก่ายังไม่รู้ต้องไปกับพวกพี่วัยรุ่นเก่ากึกขนาดเพิ่งสร้างมนดบหินมกเป้งหลวงปู่ให้ไปอยู่หลวงพ่อไปอยู่กุฏิเก่าของท่านไอ้กุฏิเก่าของท่านมองเข้ามานะเห็นในมนดบหมดเลย ตอนนี้ท่านไปนอนในมณตปกลางคืนก็เห็นท่านเดินจงกรมนะเราเดินทางมาทั้งคืนแล้วกลางวันก็ไม่ได้พักเลยนะเหนื่อยกลางคืนกล่าวว่าคืนนี้จะนอนซะหน่อยหลวงปู่ไม่ยอมนอนเราไม่กล้านอนนะเห็นท่านเดินะ่ะบนตบท่านฝาผนังเป็นกระจกด้านที่ติกับกุฏิเก่าท่านเห็นท่านเดินอเราจะเดินก็ไม่ไหวนะหนาวก็หนาวนะก็นั่งสมาธิเลย นานๆก็ตอนนี้มั่งหลวงปู่ไม่ยอมเลิกเดินดูอู oh, ้อยู่จนดึกเลยนะ้าทุบเลยนะอาท่านพักหละดีใจเราก็รีบนอนหนาวมากเลยนะตีหนึ่งกว่ า, ว า, วาตื่นขึ้นมาชะงกดูหลวงปู <L im it> ่ว่าหลวงปู่เดินจงกรมอีกแล้วเดินจงกรมอยู่องค์เดียวในมอนฑลว่าเราก็ต้องลุกขึ้นนั่งต่อ ครูบาาจารย์ภาวนาอยู่เราไปนอนไม่ดีเสียธรรมเนียมขี้เกียจออนแอไปนะในใจก็นึกหลวงปู่น่าจะพักบ้างนะ <c oughs> หลวงปู่อายุเยอะนะทั้งจะเดินเดินนะมันเห็นตะคุ่มตะคุ่มกลางคืนนะแสงพระจันทร์แสงอลไรมนรอดเข้ามาในห้องท่านไม่ได้เปิดไฟนะเห็นตะคุ่มตะคุ่มเห็นท่านเดินใจสงสัยเออหลวงปู่เดินจงกรมท่าไหนหน้า ถามท่านหลวงปู่ครับเดินจงกรมท่านไหนน้า่านเดินนี่แหละทีแรกท่านก็เดินเรียบร้อยนาไม่รู้ว่ามือท่านอยู่ที่ไหนอยากรู้ท่านนั้ท่านเดินแขวนนี่เลยอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับบอกอย่างนี้นะท่านเดินนี่ต่อท่านเดินจริงท่านสอนกรรมฐานนะสอนัการเจริญสติเนี่ยไม่ได้เลือกกระบวน่ารนะ ไม่ได้เรีอกกระบวนท่าต้องท่านั้นต้องท่านี้ถึงจะถูกถ้ามีสติแล้วถูกทุกท่าเลยแต่ว่าทําสมถะเป็นอีกแบบนะถ้าจะทําสมถะก็มีกระบวนท่านั่งให้มันเรียบร้อยไม่วอกแวกถ้านั่งอย่างนี้เดี๋ยวก็หลับแล้วนั่งสบายๆเดี๋ยวก็ใจลอยนีนั่งให้มันเรียบร้อยเดินให้มันเรียบร้อยจะได้ไม่ฟุง้งซ่านเดินแว่งไปแข่งมาฟุงา้งซ่าน งันเดินสมถะนั่งสมถะก็อย่างหนึ่งนะทำในรูปแบบทําให้มันสวยๆงามๆ ม, มีระเบียบจัดระเบียบร่างกายจัดระเบียบพฤติกรรมถึงเวลาก็ทํามีระเบียบถึงเวลาปฏิบัติจะมาปฏิบัติแล้วก็ามาจัดระเบียบร่างกายให้เรียบร้อยแล้วมาจัดระเบียบใจให้เรียบร้อยใจก็เรียบร้อยหมดได้สมถะ แต่ถ้าจะทำมิปัสนาจเจริญปัญญาดูมันเข้าไปเลยอย่าวางฟอร์มอย่างบางคนจะดูจิตนะแทนที่จะดูไปว่าจิตตอนนี้เป็นยังไงดูเข้าไปเลยจิตตอนนี้ก็มีความรู้สึกทุกคนะ่ะะมีอะไรให้ดูอยู่ตลอดเวลานี่ถ้าเริ่มต้นก็จัดระเบียบจิตกันเรีย <c oughs> บร้อยแล้วก็ดูไม่มีอะไรเลยทุกอย่างจะนิ่งว่างๆไปหมดเลยไม่มีอะไรให้ดูแล้วนี่จเจริญปัญญาไม่ได้จริงแล้ ฉะนเวลาจะภาวนานะโดยเพพาะการดูจิตดูใจดูเข้าไปเลยรู้เข้าไปเลยรู้สดสดร้อนๆในปัจจุบันไม่เลือกกระบวนท่าไม่ต้องรอให้นั่งสวยๆก่อนแล้วถึงจะเริ่มดูไม่ต้องรอให้เดินสวยๆก่อนแล้วเริ่มดูดูมันทุกอิริยาบถทุกกระบวนท่ารนะให้ดูของจริงไปเรื่ยงั้นดูไปตามธรรมชาติดูไปตามสบายไม่ยากอะไรนะดูไปเรื่อยสุดท้ายก็เห็นความจริงอนะทุกอย่างไม่เที่ยง อะไรที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ไม่เที่ยงอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ไม่เที่ยงทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ทนอยู่ไม่ได้นี่ <cassette. S 1> อันนี้จางทุกขังนะัเวลาเห็นบางคนเห็นคาบคาบกันไปนะต่อกันไปอย่างรวดเร็วเลยอนาตตาเนี่ฉีกออกไปอีกหน่อยอนนี้จางทุกขังนะั้นแทบจะซ้อนกันอยู่เลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ทนอยู่ไม่ได้เรื่อเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อย ตรงเห็นของไม่เจี่ยงเห็นมันเกิดแล้วมันก็หายไปนะเหน็นเกิดแล้วมันหายไปตัวที่เห็นทุกขั้งนะเห็นตรงที่มันยังยังไม่ทันจะหายกําลังเกิดอยู่ยังไม่ทันจะหายนะเห็นเลยว่าตัวเนี้ยมันก็ทนอยู่ไม่ได้มีแต่ความแปรปรวนอย่างความปวดเมื่อยเกิดขึ้นนะดูลงไปยังไม่ทันจะดับเลยนะจะเห็นเลยมันทนอยู่ไม่ได้ความปวดทีแรกน้อยๆมันแรงขึ้นมานี่แสดงว่าความปวดน้อยๆทนอยู่ไม่ได้่ะ พอปวดมากเต็มที่นะความปวดมากเต็มที่ก็ทนอยู่ไม่ได้ก็เริ่มลดลงมาสุดท้ายก็หายไปหายไปก็เห็นอ น, นิจจังอีกนะงั้นเห็นอ น, นิจจังเนะี่ยเห็นมันเกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาดับไปเห็นทุกขังเนะี่เห็นในขณนะสดสดร้อนร้อที่ยังเกิดขึ้นมายังไม่ทันจะดับนี่เลยมันทนอยู่ไม่ได้นะมันถูกบีบคั้นมันถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเลยกระทั่งความปวดความเมื่อยความสุขกุศลอกุศลทั้งหลายถูกบีบคั้นตลอดถูกเบียดเบียนตลอดเลย สุดท้ายมันก็ต้องแสดงอ น, นิจจังต้องหายไปเนี่ยสติปัญญามันแก่ขึ้นมาอีกหน่อยนะเห็นอ น, นิจจังเห็นหยับหยับเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเห็นทุกครั้งนี่เห็นเลยตอนที่ยังอยู่นี่ก็ยังแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาถูกบีบขั้นอยู่ตลอดเวลานะต้องใช้สติปัญญามากขึ้นเห็นอนัตตาก็ใช้สติปัญญามากขึ้นไปอีกนะเห็นเลยเองจะเกิดหรือเองจะดับนี่บังคับไม่ได้มีเหตุเองก็เกิดหมดเหตุเองก็ดับบับงคับเองไม่ได้ เห็นอนัตตาอนัตตาไม่ได้แปลว่าเห็นว่าไม่มีอะไรนะอนัตตาไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าศูนย์ไม่มีอะไรอนัตตาหมายถึงมไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังนคะับสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้มีเหตุแล้วจะห้ามมันไม่ให้เกิดก็ห้ามไม่ได้หมดเหตุแล้วอยากให้มันอยู่นานๆมันก็อยู่ไม่ได้นี่คือคําว่าอนัตตานะบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ อนัตตาแปลว่าไม่มีเจ้าของก็ได้นะก็เป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งไม่มีเจ้าของใครจะเป็นเจ้าของสภาวธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายนะมีเหตุที่มันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่มีเจ้าของไม่อยู่ในอำนาจเกิดจากเหตุแปลได้หลายนัยยะนะครับว่าอนัตตาแปลได้ห้าแบบห้านัยยะไปหาเอาเองนะไม่ยากอะไรหรอกหัดทำกานบ้านบ้าง เนี่ยเรามาหัดเรียนนะการภรว น, นาก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเป็นเรื่องสบายๆรู้สึกลงไปรู้สึกลงไปสุดท้ายปัญญามก็เกิดเห็นตามความเป็นจริงตามเห็นมันไปอย่างที่มันเป็นหลวงพ่อใช้คําว่าตามเห็นเนี่ยบางคนไม่ชอบเลยบางคนไม่ชอบบอกก็าตามไปนี่ไม่ถูกหลงเงาของจิตเบื้องหลงอะไรเราใช้คําถูกพระไตรปิฎกอ่ะนะ คำว่าตามเห็นมันตรงคำว่าอนุปัสนาตามเห็นใช้คำถูกนะแต่พวกใช้ผิดจนพวกลืมของถูกไปก็เลยบอกเราใช้คำผิดตามเห็นมันส่งจิตตามไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ส่งจิตตามไปเรื่อยจิตต้องตั้งมั่นบอกแล้วจะเห็นสภาวะได้จิตต้องตั้งมั่ น, เ, น, ตตนเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ไหลาตามอะไรไปแต่ตามเห็นหมายถึงว่ามีสภาวะขึ้นมาแล้วก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นคนไปติดภาษาไทยแล้วก็แปลไม่ออก คำว่าอนุปัสสนานะตามเห็นแตตามเห็นในมุมที่ถูกด้วยตามเห็นในมุมของความไม่เที่ยงในมุมของความเป็นทุกข์ในมุมของความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตามมันไปนันมันค่อนข้างประนีตนะงานกรรมฐานเป็นเรื่องประนีตไม่ลึกลับไม่ยากถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วจะรู้ว่าไม่ได้ทำอะไรประโยคนนี่เรื่องจริงนะไม่ได้ทาอะไรหรอก แต่ถ้าจะพูดแบบให้มีสมมติบัญญัติก็ทำศีลทำสมาธิทาปัญญานะแต่พอปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรสภาวะทำเขาทำนะรูปธรรมเขาทำงานนามธรรมเขาทำงานจิตเขาก็ทำงานตามหน้าที่ของจิตจิตทำหน้าที่ก็รู้สภาวะทั้งหลายไปนะสังขารทั้งหลายเขาก็ปรุงไปเวทนาทั้งหลายเ้าก็ทำงานสุขทุกข์ของเขาไปสัญญาเาก็ทางานหมายรู้บ้างจาบ้างนะ ตามหน้าที่ของเขาไปรูปก็ทำหน้าที่ของรูปไปแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปคอยแยกธาตุแยกขันธนะ์ดูไปื่อยไม่มีอะไรเราไม่ต้องทำอะไรนะขันธ์เขาทำอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็หัดรู้หัดเห็นขันธ์มันทำงานสบ้างแล้วรู้จพบเราไม่ได้ทำอะไรขันธ์มันทำกระทั่งบรรลุมากผลนะเราก็ไม่ได้บรรลุนะ จิตมันบนรรลุมรรคผลไม่ใช่เราบรรลุมรรคผลจิตมันไม่ใช่เราจิตมันก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งทํางานของมันเองจิต ท, ทำงานได้ตั้งสิบสี่อย่างนะงานของจิตจิต ท, ทำหน้านที่ได้ตั้งสิบสี่แบบไปเรียนเอาเองก็แล้วกันนะไม่ยากอะไรอยู่ในอภิธรรมนะบทที่หนึ่งเนเรื่องจิตเรื่องจงจิต จิตทําหน้าที่อะไรได้บ้างยจิตทําหน้าที่อันแรกเลยทําหน้าที่เกิดหน้าที่สุดท้ายจะทำหน้าที่ตายใครตายจิตมันตายไม่ใช่เราตายนะใครเกิดจิตมันเกิดไม่ใช่เราเกิดนะอืจิตมันทําหน้าที่เกิดเวลามันทําหน้าที่เกิดนะั้นมันก็ไปรวบเอารูปอานามทั้งหลายเข้ามาเป็นกองเดียวกันขึ้นมานะนะ่เรียกวิญญาณย่างลงไปนะันนามรูป ก็เกิดขึ้นวิญญาณเป็นปัจจัยของนํารูปนี่จิตทําหน้าที่เกิดตอนจะตายจิตก็ทําหน้าที่ตายจิตดวงสุดท้ายดับปับ๊บธาตุขันก็แตกเลยหมดการผูกพันกันไม่เกาะเกี่ยวกันจิตทําหน้าที่ดูจิตทําหน้าที่ฟังจิตทําหน้าที่ได้กลิ่นได้รสจิตทําหน้าที่รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทางร่างกาย จิตทำงานทางใจเยอะแยะเลยเริ่มตั้งแต่ทำงานในภาวงคจิตภววงคจิตมีทั้งสามแบบสิ่งเหล่านี้เราภาวนานะเราเราเห็นเองหรืออย่างพอตาเรามองเห็นรูปใครเป็นคนเห็นจิตมันเห็นรูปจิตมันเห็นรูปแล้วสังเกตให้ดีมันจะส่งสัญญาณส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจสังเกตไหมตามองเห็นจะส่งสัญญาณเข้ามาใครเคยเห็นการส่งสัญญาณยกมือซิ ตัวนี้เรียกว่าสัมปฏิชันะสัมปฏิชนะเป็นจิตอีกชนิดหนึ่งทําหน้าที่ส่งสัญญาณส่งสัญญาณแล้วรับสัญญาณแล้แปลสัญญาณใครเป็นคนแปลสัญญาณใครรับสัญญาณแล้แปลสัญญาณจิตอีกดวงหนึ่งรับสัญญาณแล้แปลสัญญาณตัวนี้ชื่อสันติระนาจิตเสร็จิตตัดสินอารมณ์นะตัดสินอารมณ์ว่าสัญญาณที่ส่งเข้ามาเนี่ยดีหรือไม่ดีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะไรเนี่ย ถ้าเป็นสุกนะกิเลสก็แทรกราคะแทรกเป็นทุกข์ก็โทสะแทรกอย่างเงี้ยตัดสินไม่ออกก็งงๆอยู่โมหะแทรกเข้าไปตัวที่ตัดสินนะตัดสินใจเนี่ยเขาเป็นจิตอยู่ตัวหนึ่งชื่อมโนทวาราวัชนาจิตวัฒพนัทมีสองชื่อนะชื่อเรียกโมทัพพจิตเสร็จแล้วจิตก็เสวยอารมณ์รู้สึกไหมจิตกับอารมณ์เขาไปเกาะกันจิตกับอารมณ์เขาไปเกาะกันเนี่ยเรียกว่า ภาษาตำราเขาเรียกเสวยอารมณ์ไม่รู้มันเสวยเข้าไปได้ไงนะแต่เราเห็นแม้จิตแอารมณ์มันเกาะเข้าไปได้วยกันนะถ้าไม่ใช่พระอราหันนะเวลาจิตเสวยอารมณ์เกาะแต่ถ้าพระอราหันนะสักแต่ว่าเสวยเป็นงั้นะสักแต่มีอารมณ์นะจิตกับอารมณ์ไม่กระทบกันนะแต่ไม่ได้แยกกันไม่ได้แยกชั้นนะจิตอยู่นี่อารมณ์อยู่นี่พวกเราเวลาจิตกับอารมณ์แยกกันรู้สึกไหมเป็นสองชั้นะ เขาพระรหั์ไม่ได้แยกชั้นนะแต่ไม่กระทบกันเหมือนอากาศเนี่ยในอากาศเนี่ยมีคลื่นวิทยุอยู่นอยู่ด้วยกันตรงเนี้ยนะแต่มันไม่กระทบกันมีแสงสว่างผ่านมาในอากาศใช่ไหมมันไม่กระทบกันมันอยู่ด้วยกันะแต่มันไม่กระทบกั น, ก น, กกนถ้าเลยเทียบแอกเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูลิ้นงูก็อยู่ในปากอยู่ด้วยกันแต่ไม่กระทบกันนะเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ําไม่เปียกน้ํา ดอกบัวอยู่พ้นน้าเลยออกมาจากน้ำไม่ไม่ได้อยู่ออกจากน้ําก็อยู่กับน้ํานั่นแหละแต่ดอกบัวไม่เปียกน้ำอะไรอย่างนี้จิตที่มันฝึกดีแล้วนะมันแยกออกจากอารมณ์นะแต่มันไม่ได้แยกอย่างที่เรานึกแยกแบบเป็นชั้นๆไม่ใช่ไม่ได้แยกแบบน้ํากับน้ํามันมันรวมอยู่ด้วยกันนะเหมือนออกซิเจนที่รวมอยู่ในน้ําเลยอยู่ด้วยกันอนยะ่างนั้นไม่กระทบกันหรอกแต่สําหรับพวกเราถ้าไม่ถึงขีดสุดนะ จิตเข้าไปเกาะบ้างจิตแยกออกมาแต่ถ้าแยกก็แยกแบบขนมชั้นนะแยกเป็นชั้นๆแยกได้หลายชั้นด้วยนะถ้าหยาบมากก็ต่ํามากรู้สึกไหมหนักๆโซคโครกเราประณีตขึ้นนะโอ้ชั้นมันสูงขึ้นนะมันเลื่อนชั้นได้นะมันเลื่อนได้ทั้งหมดนะสาสิบเอ็ดชั้นขนมชั้นนี่ใหญ่นะแต่เราไม่ต้องเรียนมากขนาดนั้นนะเราดูของจริงเข้าไป ดูของจริงเรียนรู้ความจริงเข้าไปเรืยสุดท้ายจะเห็นมีแต่สภาวะจะมีกี่ชั้นมันก็แค่สภาวะแค่แค่รูปนามนะมีตะขันหรูปนามอายตนะหกธาตุอินทรียนะี2สอเงี้ยแยกออกไปเยอะแยะเลยแยกเป็นอินทรีย์เขาได้นะแต่ยังไมเ่เคยเห็นใครภาวนาด้วยอินทรีย์เท่าไหร่เลยทางทฤษฎี ยังดูศรัทธาได้ไหมศรัทธาเป็นอินทรีย์ตัวหนึ่งเราดูจิตที่มีศรัทธาจิตที่ศรัทธาเที่ยงไหมไม่เที่ยงไหมแสดงใจรักไหมแสดงความเพียรเที่ยงไหมวันนี้ข ย, ยันอีกวันหนึ่งขี้เกียจแสดงใจรักไหมแสดง น, น่่ดูอนะินทรีย์นะดอินทรีย์งั้นดูก็ได้นะขันท่าศยตนะอินทรีย์ใช้ได้ใช้ได้หมด ย่อๆมาเป็นรูปธรรมกน็นามธรรมาเอามาทํำวิปัสสนาได้ทั้งหมดนะงั้นเราหัดรู้หัดดูไปนะเราถนัดดูอะไรก็ดูนะคนไหนขี้โมโหก็ดูโมโหไปเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะคนมองหน้าก็โกรธเดินเข้าไปแล้วไม่เพื่อนกลัวไม่กล้ามองสักคนเลยก็โกรธอีกว่ามันไม่มองหน้าเรามีไหมคนเขามองก็โกรธนะคนเขาไม่มองก็โกรธอีกะคนเ้าพูดด้วยก็โกรธนะคนเขาไม่พูดด้วยก็โกรธอีกะ คนแบบนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเนี่ยถ้านิสัยอย่างนี้นะดูจิตขี้โมโหไว้จะเห็นเลยเดี๋ยวจิตโกรธก็เกิดเดี๋ยวจิตโกรธก็ดับเดี๋ยวก็เกิดอีกดับอีกจะเห็นเลยเกิดดับตลอดเวลาเลยกระทบอารมณ์ทีก็โมโหทีะจนไม่รู้จะโมโหใครก็โมโหตัวเองอีกนะอะไรว่าจิตอะไรว่าไม่สงบสัทีเลยโมโหอีกด่ามันอีกนะใครเคยด่าจิตตัวเองบ้างเคยไหม โอ้พวกเพียนนี้เยอะเลยไปด่ามันทำไมมันน่าสงสารเนี่ยหัดดูนะการปฏิบัติทำไม่มีอะไรหรอกอย่าใจรอยคอยดูสภาวะแต่ละสภาวะเขาทำงานไปมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งคนไหนขี้โมโหก็เอาจิตที่โมโหเป็นเครื่องอยู่ยเห็นเนะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธทั้งวันมีอยู่แค่เนี้ย คนไหนขี้โลบนะอยากตลอดเวลาอะไรเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากเอาจิตโลภมาเป็นเครื่องอยู่เห็นนี่น้อก็อยากเห็นนี่นี่ก็อยากได้ยินอันนี้ก็อยา ก, ไ ด, ยนน ก, ยากได้ยินเสียงนอันนี้นะชอบอยากฟังอีกได้ยินอันนี้ไม่อยากจะฟังนะใจมีแต่ความอยากก็อยากไม่ให้มันมีอยากให้มันมีอยากให้มันอยู่ถาวร อ, อยากให้มันหายไปเลยเนะ ต, ต็มไปด้วยความอยากถ้าใจเรามีความอยากมากดูทันใจที่อยากไป เห็นลิฟสติกก็อยากได้เห็นอะไรจะมาทาหน้าทาตาอยากไปหมดเลยะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเคยเห็นนะผู้หญิงอ่ะเล็บแต่ละเล็บไม่เหมือนกัน嘛เออมันต้องมีร่างสิบกระปุกอะแต่ลืมดูว่าเท้าเขาเป็นยังไงนะเราเห็นมือแล้วห็นตะลึงละเวลาไหว้เนี่ยอฮ้ยทำไมไม่ใช่แล้วบางคนมันเขียนอะไรเข้าไปด้วยนะเคยเห็นไหมเออว่ะมันยุ่งจริงๆเลย เคยรู้นะรู้ลงไปรู้หัดรู้สภาวะไม่มีอะไรหรอกง่ายสุดท้ายสภาวะทั้งหมดหละจะสอนธรรมะเรื่องเดียวกันสอนไตรลักษณ์คนไหนขี้โมโหก็ดูไปเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธคนไหนขี้โลภก็ดูไปเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวไม่โลภคนไหนชอบฟุ้งซ่านเดี๋ยวเคยรู้ไปเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิดคนไหนชอบหดหู่ก็ดูไปใจเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หดหู่ดูไปเรื่อยๆ คนไหนมีความสุขมากก็ดูไปจิตใจมีความสุขดูไปดูไปมันก็เป็นอุเบกขาความสุขไม่เที่ยงดูอุเบกขาครั้นี้โมโหเลยความสุขหายไปแล้กลายเป็นนิ่งๆกลายเป็นโทสะครังนี้กลายเป็นความไม่ชื่นอกชื่นใจขึ้นมาดูความเปลี่ยนแปลงไปจิตเป็นคนดูนะจิตต้องตั้งมั่นนะการที่เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการคำว่าตามดูก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ไม่ใช่ไปส่งจิตตามไปนี่เราฝึก อ, อย่างนี้ทุกวันทุกวันนะถึงวันหนึ่งปัญญามันก็ปิ๊งเ่อสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ก็ได้ไดโสดาละฆราวาสทําได้นะพระโสดาพระพุทเจ้าไม่ห้ามสักระคาเขาทำได้ฆราวาสก็ทาได้สักราคาอนาคาฆราวาสยากละเพราะชีวิตฆราวาสหมกอยู่ด้วยกรรม หาความสุขความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสกรามไม่ใช่เรื่องเซ็กนะเซ็กในแคบไปแคบกว่าคำว่ากามกามเนี่ยอยากดูรูปสวยๆนะรูปสวยๆเป็นวัตถุกามความพอใจในรูปสวยๆนี่กิเลสกามเสียงจะเป็นวัตถุกามความพอใจในเสียงความไม่พอใจในเสียงเป็นกิเลสกามทั้งพอใจทั้งไม่พอใจนะคําว่ากามมันมี2 ส, ส่วน ส่วนที่มันมากระทบนะเป็นวัตถุกรรมส่วนที่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมาเป็นกิเลสกรรมนี่คารวะนะวันๆกระทบเยอะกิเลสก็เพิ่มก็เพิ่มโอกาสที่จะเห็นทุกเห็นโทษของกลามยากเพราะว่าสนองกลามตลอดอยากดูก็รีบดูอยากฟังก็รีบฟังอยากกินก็รีบกินอยากนอนก็รีบนอนสนองกิเลสตลอดอย่างพระไม่ได้นะพระแค่อยากออกจากวัดยังไม่ได้เลย รูบาอาจารย์ไม่อนุญาตไปไม่ได้ก็มีทางไปได้อย่างเดียวก็คือลาออกไป <c oughs> <c oughs> อา <c oughs> ไปทานข้าวไปทานข้าว